มีราดบริเวณในนั้นสักสี่ห้าวันจเป็นเป็ น, ปนบริเวณกว้างนะแล้วมีเข้าไปก็มีถึงกันเป็นข้อข่องนี้ก็สักวันนึงตอนที่บริเวณกว้างเนี่ยมีพี่ชายเขาอยู่ที่นั่นครับตขนาดนี้แล้วตั ว, ตวควนขาเล็กหน่อยดูปัดกลมเอารอเข้าไปเขามองดูทูหัวดูแล้วบินขับแสกแลแ้วพี่ชายเขาอนุญาตชมไม่เอาอะไรเอ่ พอเดินพอตะลุไอประตูนะเข้าไปแล้วไปเจอพระพุทธรูปองค์น่าตักประมาณยี่สิบน he well, yes. ิ้วกว่าเป็นพุทธรูปทองคำล้วนทองสวยมากโยกพอเราเข้าไปกราบกราบกราบก็าก็ยังเลือดูเขาเข้าไปจับแนบดี้นกราบกราบบอพี่ชายขอชมแล้ววางหัวดําเด่นนี่เขาเข้าไปข้างในแต็มไปเลยเขาอีกก็เป็นเป็นห้องอีห้องแลมันก็มี็นค่แค่เป็นประตูอีกเข้าไปโอๆโหเมันกว้างมาก ไทยปลูกบ้านธรรมดาบ้านชาวบ้านธรรมดาแล้วสี่ข่างหลังว่างในนั้นโหงงละยมมองกุดไป เ, เท็ดรอยพวกท้องนี่โอ้โหเยอะเลยพ<ม>อเราเข้าไปนปั๊บที่ไทยเขามาเดินตามเลยเดินโหยาวเหยียดเลยพอพอเดเข้าไปไ ป, ไปหันหน้ามาก็ชูหวัวเข้มาชูมาชูเราไม่มีใครแตะต้องอะไรเพชม เขากดโข่เป้าคดจะกดมาดูเป้าตามเดินแล้วเดินมาทั่วหมมันคล้องเยอะคล้องกับเพชรเยอะมากนะอ่าเป็นข้อที่สามตอนเสาร์วันนี้มีเจ็บเจ็บสองข้างไอ้เี้บ่วางเป็นระเบียบดีมากวางเป็นระเบียบมีก้ะมังมงกุฎมีแพ่แสงอะไรนะมงกุฎได้ว่าดับเพชรแก้วแต่ว่าทั่วฝั่งทุกคนตบองห้ามจับต้อง อีตอนนั้นกำลังเตะฟุตบอลแข่งแถวนี้เอ็นนอนไปฟุตเกียร์เลยนีไ่ไปหน่อยสามกิโลใช่ไหมเอ็นนอนทไปบ่งยเขาแล้วกลับมาก็คนุยกันชวนกันเอามามาดูอะไรกันดูอะไรเพราะมัเจอยังไงเข้ามันตกใจเลยคนนั้นได้ใส่บาตรเดี๋ยวนี่ใส่บาตรไปแถววันนี้ไปทำบุญเพราะว่าขนาดใส่หนาบาตหน้าบ้านอันดับแรกคนหน้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งใส่บาตรหน้าบา้านก็ว่าก็ว่าไปตลอด เนตัดผ้าเช่อ้าื้อองใส่เดี๋ยวนี้เรใส่ บ, น า, บานนะบานคำบนบานบานอยู่สิสิแ่วไปคิกกันไปหน่อยก็อักคึกใช่ไหมเลยเด็นี่เปนหน่อยก็ิดเขี ย, เย น, เ, น, น, อยอนเอเป็นอน่าสมัยนั้นมี ม, งมองกรพิเศษอย่า้าคนใส่มีผมมากเนี่ยจะใส่ไม่ได้ฮืาฮ่า น, น่าฮ่า่ ก็เลยถามเขาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ทําไมยึต้อาของกษัตริย์มาไว้ที่นี่กษัตริย์พวกนี้มาจากไหนกษัตริย์พวกนี้คือเป็นกษัตริย์ที่ครองเมืองกุลูรีสมัยก่อนเป็นเมืองเล็กๆในไทยแต่พระนครศรีธรรมราชยกทัพมาตนะีเห็นท่าว่าจะสู้ไม่ได้สู้ได้หรือไม่ได้กันก่อนพระราชนเวศน์เลย เอาของมาเขียนไปในสู่เขาสู่เขาไม่ได้ล้วสู่เขาไม่ได้เขาคนทรัพย์สินในประเทศันก็ไม่มีอะไรมากเพาะองมีค่าใหญ่ที่สุด เ, เงินนี่ยังไม่เป็นเงินเหรียญมันเป็นเงินแท่งเป็นเงินแท่งแล้วไม่แท่งยาวอย่างที่อะไรถุงเงินแน่ยมันเป็นเงินแท่งสีเส่เหรียญสี่เหรียญว่าทองหัวเี่ยมันจะมีคอคอดเามืาอวมีตาคล้าล้ายกนนั่นเลยเท่นั้นเลยแค่แรกแบบนั่นเองทองคำเนี่ยโฮโยมยให้ลมจกลับตาง เดินไปเจอไอ้ไอ้ทองคำแข่งแข้งเป็นริ่มๆคนนะพากลับเดินไม่ไหวไอ้พวกเด็กๆเนีไม่ใช่เรานะไอ้พวกที่เรียนเป็นเด็กเดินไม่ไหวเลยทำไมแหม่ไม่ใช่ไดทองคำครับมีของเก่างเราอยู่ั้งสามมีของฉันสาวค อ้าเดี๋ยวถ้าฉัซกาแฟถ้วย <c oughs> มีนได้ขอเป็นเนียอาเียทางี่ของเขามาเปล่ า, าอะลุงดู <c oughs> นี่ของมาปล่าไป广州了好了然后这里来嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多嘛，这里人多 ดูบ้านได้ตั้งหลายหลังจะอของเากลับมาอ่าก็ทุกอย่งไม่ตองจะขอพนี่ใช้ได้ใไหมลูกจิเ้วบอกเดี๋ยวนี้ไม่ทานนะไม่ทานนะ่ใช่นี่พอพถามเดี๋ยวนี้เ็าบอกเดี๋ยวนี้ เ, ยเยลยอ่น้ามันหวังเาบอกุ่นรุ่นรอ่นล่าสุดดูเขายังบอกว่ามันมีทรัพย์ินมากกว่าที่อ่นเยอะมาก ถ้าิ้นที่ต้องขึ้นมาให้ได้อันนี้สองธมาสมานี่แล้วเขางบอกเรนนี้นะมาส่ทุกเป็นแรยังไม่ไาเจ้าของเจ้าของที่มานี่เป็นผมงันอาจจะมีพวกเราฮะมมีเลยพวกเรายังแค่เทาโดยแยกนี้ไม่ไกลนะ ก่อนหน้าที่พระเจ้ารามกำแพงจะมาตีแค่เรียบร้อยสิบปีเศษนะไม่ใช่มาตีไม่ใช่มาตีที่ทุกบุรีสิบีเนี่ยหรสิบปีเป็นเจ้ารามกำแพงแกเกิดทันเจ้ารามแข่งเธอมาเกิก่อนและนี่ไป็นส่วคนไทยรวมไทยอยู่นี่ตลอดรวมไทยนี่ลงมาทั้งด้าน พวกเมืองปาลงมามาทางอ่ามาทาพม่านะมาส่าทางาววทางวายท่านไม่รูแล้วมันลงมาทางอเมกาทางเพรบุรีนี่เขาลงก่อนทางด้านโน้นวันนั้นที่ไปนอนที่หหินนี่เขเ็ไปนอนคุยฟังพูดเรื่องน้ำมันนะแล้วพกผู้หญิงเขามาก่อนเขามาไล่ตัม คุเสริมแกอะไรได้ยินว่าไอ้ไอ้พันจานน่ะมันมีผี่สาวมันนอนยืดด้วยคนไอ้หานี่ะผู้หญิงมันนอนด้วยหรือ่า้สาวคุุรุ่งผู้หญิงคนผู้ชายคนแต่เจ้าผู้หญิงก็คุยกัผู้หญิงผีอาสาสี่สิบเลยมั้แล้วพวกคแล้วผู้ชายงเข้ามาเล่าประวัติอีกเลแต่หลังก็เสียผู้ชายผู้จาก็เฮาเฮาเสียงผู้หญิงผู้หญิงเขก็เล็กแลอเป็นองหนึ่ง แกกแกตอนตอนเช้าออกไปจะบอกแม่ไอร้ระยันี่เรานอนไม่หลับตั้งแต่เช้าทำไมแม่มันเอาผู้หญิงมันนอนเอาน็คืนจะพูดบ้าบ อ, บ อ, บ อ, บอลอ้เก็ตั้งในใจบอกดูก่อนจะพ้าแกก็ไม่ควรแ ล, ล้วเรียกไอ้ทันใจให้ขึ้นมาเขาขึ้นมาครับไอ้หนู น, นอนต้มเดือดไปยังยังคับคบนต่างประเเออเาไม่ไม่ต้องเร่งยนะไตามสบายเอเราไปแล้วถามเสริมเสียงมังนเง้อ จริงเราไม่ต้องการน้ําร้อนเลยหรอกให้เ่นเสริมเห็นว่าไอ้เสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันกไม่เหมือนครับไอเสียงห้าวตัวเสียงห้าวเขาเพลิันเนี่ยเขามีผู้หญิงอยู่ด้วยไอ้แกเอาจิตใจไปโทษไอ้ลูกศิษย์ข้างล่างน่ะบางทีมันอยู่ข้างห้องเสริมนอนหน้าห้องฉันอยู่ในห้องแล้วใครแต่รูดองไอ้นั่นมันเป็นพันจ๋าไอ้นี่เป็นไอคนจะมานั่งแกล้งคุยให้เป็นยังได้น่ะเนี่ยเ้าไหม ใช่ใช่ใชนดีไม่ดีแค่เขม่งขึ้นมาดิเดี๋ยวมันลืมขึ้นอย่าเดือนที่สามปีนี่เป็นนั้นว่าไมท่อี่ทํานกนบอกว่าสมัยรอสิบแต่เห็นจะเป็นระยะกลางเท้านั้นที่ใครทำเมว่าสมัยไหน่ะของเข้ามาใครายที่จะใคร่้ะเชิญสามก็พอดีก็ตอบเลยผมไม่ใช่ร้ยสิบก็ยังบอกว่าทองนีมีมหาศา เป็นอนุสาริเวนที่เรานั่ง เ, เอาไว้ เ, ไอเอาเนี้ยอ่ะอืมใช่นี่มีเยอะอันนี้ทองทองที่จมโอ้โหทอาแฉกนะไม่ได้ไม่ได้ทเหมือนเปที่เกแต่ว่าส่วนที่เราเห็นนี่ ย, ยังไม่พอเมืกี้เขาบอกส่งที่เห็นนี่ยมันยังไม่เด่นหนึ่งในสี่จะเป็นครัง จะเป็นทางและใหญ่มากเขาเฉพาะจุดกระจุกช่องแท่งเลยเยอะัมันมีจุดที่บอกเข้าไปแล้ววันน้ทานไม่ท่านมยเไฟมือเวลาหมดอ๋อจริงบอกว่าท่านมยนะไฟมือไฟมือมันยเป็นหุ่หน่อยๆแล้วเข้าไปในมือเข้าตันเข้าไปเข้าไปอยู่ในเข้าว้งอยูห้องอันนี้เ็บคอเจ็บคอเจ็บเจ็มหาศาลอรนี้เป็นทดลองไอ้คนที่วางไว้จุดนั้นก็มันเป็นเสืองของกษัตริย์เขาแยกกันไว้สจุดเป็นทับถึงส่วนมหาศาล เรพับผีไทยเพื่อเปิดแต่เขาเรียกครั้งทั้งที่เ <c oughs> ออไปเก็บในไมมมื่อเวลาเข้าไปไม่หมืดแตเด็กมม่รีบหลงมา ม, งมันมีหลงตัวหสบแลอากาศดีลมมาชิวเลยหรือใคร ท, ทาให้ชิวก็ไม่รู้ฮ <c oughs> ะนันต้อ ง, ต, องต้องมีหล ง, งเก็บ ก็เชื่อไม่ได้เรลก็งู้ฮะาลงงูไล่ล้วก็บอกติดิล่ง่ออย่ามาะเไม่จเขาไม่ได้เขียนเป็นงูหรอกเป็นงูจริงเขาไม่ได้เขียนั้เห็นเป็นงูเฉยไม่จริงแล้วหลอกจะไม่รู้ไม่ไม่เขียนต่อโอทาเวนหรนู่ปักแล้วเราไปถึงมะก ฉันลูกศิหลวงพ่อหายทำเลยพ <c oughs> อหยิบอะไรดิแต่พี่ทักไทพ่อครับหลวงพ่อสั่งมาหยิบปาเอ่อปลาปลาตบหน้าพี่อาหารตบหน้าแ <c oughs> ล, ลาก <c oughs> วรสนุกไปกีเปีเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้าหญิงนี่ปลาไปเลยหลวงพ่อฮะแล้วตอนหลวงพ่อลงไปแล้วพวกข้างข้างบนนี่มันแปลกใจฮะหา ย, ยาไปนาน <c oughs> เอ้ยไปหมด เลยฮะควรได้หมดทุกเลยไปให้มันดูเราตามไปบอกทุกคนตามฉันมาย่าเพี้ยมเลยเปียกหมดอ๋อย่าบางหมดเนี่ยแต่เขาลูกพี่เฝ้าพี่ได้แต่พี่เฝ้าน้นก็ไปครอบไปเป็นชั่วโมงอ๋อขึ้นมาเลเปียกสามสิบสามสิบเจ็ดอยู่ก็ไม่เป่ย เขาเขาเขาคุยดิตรงคืนแกไปพูดถึงบอกว่าผมปิดนะครับท่านทางคนไม่เห็นเราพอไปได้ไม่เดืนเดือนปีหน้าผมปิดมันก็มาจะสิ้นปีอยู่แล้วมาธันวาจะสิ้นปีปีหน้าผมปิดให้พวกบ้านนั้นไปยินทิ้งทูหินลงเนี่ยเข้ามาดูกันปากช้ำตลบนี่อะไรบอกนะใช่ใช่อาจารย์ไหนก็ต้องเอาแน่ แล้วปัญหามีว่าเขาต้องหาอาวุธมายิงงู อ, อันดับแรกนะแต่ถ้ายิงคนนั้นก็ตายหม ด, ด, ดทั้งงูทุงูจระดามัเป็นถ้าพูดท่าลุปุักกงูถ้ามีทองมีทรัพย์สิยู่ไหนก็ต้องไปรุมหมดทั้งสีทษสีได้าโนท่าพูดพูินุ๊บปักปุ๊บสวันก็ส่งนออกมาประจำประจำจาสุดแล้วก็ยังประจำห่างเปกิโลกิโลนนนอนหนง ไ่เคยของที่ที่มีทรัพย์สินพวกชาวบ้านที่ตั้งแฉลงภูมิคนจะตั้งแฉลงสู่เขาเพราะพวกนี้ราคนะอันนี้มาเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ตรงก็จะติดโลกกับบ้านีันเป็นหน้าที่ตรงที่ต้องรักษาไม่ให้ ถ้าว่ามีทรัพย์สินร่วมกัอยู่หลายคนถ้าบังเอิญไปข้างหน้าเจอลายแทงเนี่ยเขาบอกมีลายแทงบอกนะผีบอกเนี่ยจะต้องเอาได้เฉพาะตามส่วนทัพของตนนอกเหนือจากนั้นเสร็จรรก็ ม, ม, มีเรื่องเกิดที่สารชุกบัมาประมาณยุคศตวรรษทสี่หรือห้ามีเรื่องเล่าขึ้นมาและพวกเราก็อยากจะรู้ความจริงไปหาเของบา้านมีพระองค์มาจากเหนือข้ามเหนือนี่ก็ไม่ทราบว่าเหนือที่ไหน แต่ไม่นอนนะเนี่ยมาถึงก็มันมีเงินมันไม่มีทองอยู่ครึ่งไปในทุนละเงินครึ่งท่านเขาสั่งให้จุดเปลี่ยนมาถึงแล้เปลี่ยนจุ ด, จดๆก็เห็นเขาไอตา้ตามตามใบบอกแล้ววาตามที่ถีบอกว่าเงินของท่านมีอยู่หนึ่งบาทให้ท่านมาเอาที่อยู่ในวิทยานท่านมีสิทแกก็บาทมันลูกอ่ะตัวใเต็มบาทไอ้โ <c oughs> ดนแพ้เข้ามาเหย็ยดแพ้ <c oughs> โวยเต็มบาดทกทีดานนั้นเพราะเดินำไมด้านนั้นแกมโหแกจับไอหัวล้นมึงไม่จะพระแล้วมึงกระบฏของของมึงบาทเดียเด้ยวบาทเล้นบาทเลี้ยวแข้งเนี่ยไม่ใช่บาทเต็มบาทมึงตะกะแบบนี้จะอยู่เลยแกจับลงน้ํานแม่น้ำในน้ำไทากินเนี่ยมึงเลือีจะตายไปจับกดก็ดึงขึ้นกดไปก็ดึงขึ้นกูกูกมกู เกี๋ยวทั้งเรือเข้าแจมไปเ่าบอกอ้าวพระจมน้าพระจมน้าแต่ ก, ก <expect S 2> <can the peso again> ็ไม่มีที่อะไรเนี่ยมันลึกมากเท่าก็ไม่ถึงดินทสุดเช้าใบเรือมาช่วยช่วยจะผีนี่ก็ปล่อยพระนั่งออีกต่างเขามาจับนนั่งมดินสึจากคนนัาจกรทัเงินหายไปหมดเลยบก็ไม่ได้บไม่ได้บได้แต่บาทเปล่ากลับไปนั่นลองเล่นน้าดูนี่สวยของตัวมีเท่าไรจะถึงได้ทั้นั้น เวลานี้ก็มีที่เขาพรองนีกทีหนบางเดียวเขาพรองนี่ถ้าระยะใส่ พ, าาสพื้นที่กว้างาสี่เมตรยาวสี่เมตรสูงสุดเมตรเฉพาะสองไม่พอปากถ้ำเวลานี้ปิดไว้แล้วก็ถ้าถ้าเราจะไปดูหินนะมันจะไม่สนิทมันอยหินนี้งแล้วก็เจ้าว่าที่นั่นคืออาจารย์ชึ่งเขาสอนมุสนสนายอยู่เพราะนั่นแกยังไม่บวดแกขอแกขอเจ้าของแกขอทั้งหมด ไม่ตองของก็ไปบอกฉันบอกอีกครั้งเข้าไปต่างถ้ำน่ะถ้าเขาเปิดถ้ำอะไรเนี่ยองคุณอยู่ข้ามือคุณเลยเอาก็าเป็นของคุณเองเนี่ยแต่ขอให้หัวล้านไม่ใช่คนนี้ <c oughs> ไอ้หัวล้านมันมีอยู่ไหายเดียวมันก็ขอยมขอยมเนี่ยขอทั้งหมดขอทั้งหมดไอ้หัวล้านนี่หล่มากมันสอนกรรมฐานได้ยังไงแค่ว่นั่งลุกมันจะเซ็นให้เซ็นที่ ก็เลยบอกว่าถ้าเขาปล่อยเขาไว้ได้แล้วเขาก็เห็นเขาไปหมดเขาไม่เห็นแล้วก็เราเลยบอกกับท่านบอกว่าไม่เอาแต่ถือว่าออกมาจะ ว, ว่าแต่มากขนาดนั้นเนี่ยแค่ก้อนเท่นี้ก็ตายถ้าโม่ทุกตาย <c oughs> ดีไม่ดีข่าวเลยเมก้อนเล็กนิดเดียววันบอกมาได้ไม่ต้องปิเข้ามาให้ก่อนนั้นมันก็ยังไม่พอยทุกตายถาที่นั่งเขาเจอไม่บ่อย จังไทยเอ้ยจังหวัดเชียงนาทเภี่นาฏเข า, าพลองไอ้เขาก่อนหน้าดีเข้าไปถึงเชียงนาเนี่ยแยกจากทางรถแยกเข้าไปแรกนั่นเขาอยู่ขวามือที่ที่ก็สร้างวัดตนั้นไงกลังสร้ากลัสร้างู่ัราง้างเลยไอ้อนี่ไม่ว่าจะเจโลูมากไปจะขอทั้งหมดทั้งเลยบอกว่าไอ้หัวล้านมันขอมันขอโยม มันไม่ใช่มันไม่เหยียดสติของมันโยมให้ไม่ได้เลยเวลานี้เจ็บปวดเพระเรืเลืออเลยที่ใดก็มีใครที่มีท่านพึ่งคอนี่ก็จะตัดไหล่จะไหล่แล้วจะพลังท่านาอยู่เป็นคนหัวหน้ามีคือหนึ่งเขาที่นอนหนึนอเป็นนอนที่ไหนเขาจับสติไว้หลังไปเน้นองค์ก็เดนนอนทางโหติดนอนนอนผู้ติดนี้แล้ววอนนี้ตอนนอนวันนั้นคนอื่นนอนไม่หลับเลย หมือนก็จะหันสายพรเดินขับขับขับขับขัอร่อยคืนเมื่เป็นคนหมูมากเลยนะแต่ตอนเด็กออกมาจุกตรหมูแล้วนั่งกันเป็นแถวถามมาทําไมเรอย in ู่ยามครับพอเข้าไปนอนถ้าเช้ามืดออกมาจะไปห้องน้ำพอเปิดมาพอบสองคนนอนเต็มห้องเต็มนั่งสี่สองคนเฉพาะตัวน่ะหัวเข้าไปข้างในพืงนสายตัวของคนแมนตอนเต็มพดีขาหนุนนอนยาวเหยียดทามาไงพวกคุณ จะไปี่ไปเยี่ยมมันก็ไม่ได้แล้วมันนอนอย่างนี้ <c oughs> ผ ม, ป ม, มเป็นนายย้ำนะครับว่าหาท่านจะไปขี่ไปเยี่ยมเดินผมทำตัวเล็กหน่อยก็ได้ตัวเล็กออก ไ, ได้พอเข้ามาอีกเดี๋ยวบอกผมทำตัวใหญ่ใหม่ <c oughs> ไม่เข้าเลยเลยงานบอกบวันนี้อีกเอีเธอคนนี้นอนไม่หลับหมดผมไม่ให้ทหารเดินแกลงม่หารทำไม่ชีพวกนี้ถือไม่ได้ทะเลาะกันวุ <c oughs> ่นวุ่แข่งดีกูกูแข่งดีมึง เลยนั่งคุยเขาถามแกแกหลอกอะไรครับบ้างแหละเมื่อทัศน์ปัจจุบันเนี่ยผมเดินมาทํำให้คนธรรมดามาแล้วก็ขอน้า ม, มันกินวัน ง, นงนันเทัชิ่งได้พอมันหันไปเอาเอาขันผมก็ทําตัวสูงเอาสะดือแคฉะชายคาทีหันกลับมาทีวิ่งราบเลยทํำสลาไม่มีเหลือทํำให้หลอกเขาทําไมมันไม่ดีควรนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ดีเพาควรนี่อยู่ไม่ได้ ดีเป็นันที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำน้ำน้ำตกมีท่านเรื่งนี้สอนว่าจงอย่าทะเลาะกันเลยีท่านเรื่องนี้สอนรู้ว่าถ้าใครจะกินถั่วนิสงก็ต้องดูคนอื่นก่อีก่อนฮเชื่อซื้อถั่วนสงกลัวที่บ้านเขาเบาทอื่นซื้อ่อนใจดีใจซื แกรู้ว่าบุญมเชิญไม่บอกว่าแกมีบังคุดข้าไปเอา <laughs> นี่ไม่เป็นีหน้าแล่วันนั้นจะ่าไอ้นี่มันโลบๆออกไปไม่ใหญ่ <laughs> รสะสมอ <laughs> ันจริงสมัยโน้นมันก็มีคนตั้งไปย่อมๆนะ อย่างเมืองอะไรเมืองคุยเมืองปราเนี่ยเป็นประเทศประเทศอานั้นประเทศเนเหนึ่งก็ทั่วอำเภอไหนบ้างถึงอำเภอบ้างมย่า้กนแต่ว่าตามที่นักบรณคดีเขาบอกว่าคนไทยมยีพื้นเพ ท, ที่นีก่อนนิดหึลขึ้นไปถึงประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่มาจากประเทศจีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาการลงมาของคนกลุ่มน้อยเนี่ยมันนานแล้วแต่คนกลุ่มใหญ่ที่ราบอกมาเมื่อ น, า น, า น, นั้นมันนี่เป็นคนกลุ่มใหญ่ ทำไมงั้นเขาไม่มู่งมาถ่ายนี่ทีนี้หายดนดีกว่าแตปานี่เปคนไทยฮะปลาเป็นคนไทยท่าเมืองปลาก็เป็นถินไทยอยู่ตังสี่มันนสี่มันทนใช่ไหมสี่มันทนนี่ความจริงเป็นเมืองไทยแต่ว่าแล้วก็นอกจากสี่มันทนนี่มันยังมีอีกนี่คอลงมาชาวเมืองปานนี่ก็เป็นคนไทยไม่ั้มว่าสาวที่เห็นไม่หมด อัดจะไปโทษกรมยาจำรงแทบทำไม่ได้ท่านร่วมไม่ได้ที่หนุนรมอย่างที่นี่ใช่ไหมไม่ว่าไปบัตรศาตร์ที่แน่นอนคือบอดศาสตร์ผีเยน็นแล้วใครพิสูจน์ไม่ได้โอ้แต่ว่าถ้าเขาบอกอะไรก็ต้องมีหลักฐานเขาจะไม่ยอมพองนี้เลยนะแล้วบอดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องหาหลักฐานว่าเวลานี่อะไรอยู่ที่ไหนบ้างอย่างช่วงนั้นครูเรื่องน้ามันน้นาลลมันก็บอกทั้นเชื่อได้ ฟังได้แต่ทั้นไม่เชื่อก็มีการพันปัจจุบันล้วบอกว่าท่านพวกนี้ท่านปัจจุบเท่านมบอกท่านปัจุบันวันที่สามที่ไม่เท่าไอศูนน้ำมันที่ไปเส้นที่มาริสไอวันที่หนึ่งที่สองแล้วก็ลืมผลิตวันทีท่สามตอนเช้าเสิข้าวแล้วไอนี่ทนได้ไเดินน้ำมันถามว่าใครเคยเดินทางไปมริบ้างเขบอ ก, ก ม, ม, ม, มีกัลเลคนเขาไปตามกัลเนมาก็เดินเส้นควายสายตอมือทับเมื่อก่อนที่มันเป็นหนองน้า เวลานี้เป็นน้ามันทั้งหนองแล้วนน้ำมันสีแดงให้จุดจุดเอาติดระจุดตะเกียได้เลยอำเป็นพันหน่อยค่อยๆแต่ไปพกล่าคนนี่นี่สายน้ำมันคือสายใจจุดนั้นมามันก็ผ่านเลื่อยมาที่นี่ผ่านแล้วก็ไปตั้งปากอ่าวในช่วงระยะสิงห์รีชีน้าอสวรรค์ออกปอดในช่วงนั้นไปมันเป็นทะเลทรายก็บอกว่าไอ้ช่วงที่สายน้ำมันเดินเนี่ยมันไม่เรียกทรายฟางทำไม ประมาณกิโลอในน้ากว้างกิโลแล้วไม่ต้องไปออกกับเอาก็ได้จ <c oughs> ุดสุดพันที่แดูวัดเราทองวันนั้นนะนี่นั่นเป็นจุดหนึ่งที่เอกไปสร้างสน้ำชัยเอกไปสรจะไม่ถึงกิโลดีสักประมาณกิโลนนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าจะออกไปอะไรก็แค่ละเหมนนี่แล้ว <c oughs> ก็คนไทยเราพูออ้ธนายไทยไม่เชื่อเว ล, ลาที่ไทยเริ่มเสื่องพลัง ก็ปลายปีที่แล้วมาฝลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งน้ำมันที่โตที่สุดในโลกแล้วแต่ในชว่วงนะครสวรรค์นุ่งไปน้ํามันมากเลนะยเลยเว่าะทางเทพนะอย่างเรามาบอกแม่แล้วพ่อพูดในตอนปีนึ่เจ็ดที่ใครฟังไอพราอพลังพูดตาโตเปต็นตาดันเขาก็ใช่ถ้าพูดจะมีความหมายอะไร <c oughs> ใช่อันนี้ไม่เรื่องธรรมดาหมอเราเจะโทษเขาไม่ได้นะเราต้องถือว่าเป็นเรื่ อ, อ, องธรรมดาใช่ไหมเราพูดเนี่ยเราไม่มีอะไรพิเศษ ในาเขาพูดเขามีเคืงมือพิสูจนต้องเชี่งไม่านั้นทรัพยากรพวกเราเรามีทั้งน้ามันมีทั้งทองมีทั้งเพชรมีทั้งเงินมีทั้งสีมีทั้งเหล็กทองแดงทองขาวเนี่ยและมีทั้งยูเรเนียมยูเรเนียมอยู่ยมอาศาลนะแต่เรารวยไงเพซรในจังหวัดไปดูไอ้ทีวก็ซื้อไว้แต่เราไม่ซื้อ าเราไร อ, รอ้ น, นี่น<อ>ี่สิที่มาจิงขอบอใจท<ส>ุกวิ่เท่าไหร่ที่ไห่ไม่ดีกันไป <c oughs> เวลานี้อย่างน้ำมันต่างๆนั่นต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆบาจริงเขาพบหลายจุดแล้วเขาก็ไม่กล่าบ อ, อกอาจจะเป็นระบบเกี่ยวความไม่คงยังไปที่ที่ภูเก็ต ท, ที่เขาไปเจาะในมหาสมุสสสทอินเดียแต่วบาเป็นทะเลเศรษฐกิจของเรานะไอ้คนนั้นเขถามว่าพวกเจาะที่นี่จะพบไหมครับ มัถามว่าแกแค่พ่อบริษัทของคุณเนี่ยในอาวไทยคุณพบแล้วประมาณสี่หลุมช่ไหมนั่นก็เป็นน้ำมันเคลร์ดีมันนิ่งนี่ก็เลยบอกว่าฟ้าไกการพูดจริง เ, เป็นมาจาที่ไม่ตายเนี่ยมันก็เลยตอบว่าถ้าผมพูดจริงผมอาจจะโดนไล่จากไหนก็ได้แก็เป็นอันว่าเขามีวิญญามาเรียดใช่ไหมผมก็เลยไล่หลุงน้องสองคนไปก็เหลือตาลําพังตัวโ ต, วตก็เลยรับส่งให้เขา ในพ่อพูดในจริงแล้วก็พูดไม่ได้เลยบอกถ้าหาว่าข้างในคุณหกโจาย์จแล้วก็ไอ้ที่นี่มันมากกว่าหาวนเดียเลยนะนี่เนฉะพาะจุดที่เขาจอะเท่ น, นั้นมันถามไป92ไมล์อยูอ่ในทะเลเศรษฐกิจอันนี้มันมันมากเริ่งกว่าที่จะใช้ในประเทศไทยไม่เฉพาะที่พบในทะเลเราที่มันก็พอใช้ในประเทศไทย แต่ว่าเราคุ้มไม่ได้แต่เป็นน้ำมันเศษดีกว่าของตอนออกกลางเวลานี้เราก็ลองถูกขมโมยไปออกไปเลยน้ามันดิบเนี่ยถ้ามบนขมโมยไปถ่ายกันที่สิงคโปร์มันก็ทํามาสองปีแล้วแต่ว่าคงไม่ขมโมยทุกวันำ น, ำนานๆปีเพราะไม่มีองไทยไปไปดูเขาเลยองกัน่ามันมันป้องกันไม่ได้เพราะไอ คนระยามสมัยนั่งมากินด้วยในกรุเทพอะนี่เสีดได้เสียเสียเวลานี้คนพวกนั้นมันก็จะมีอำนาจแตเป็นขั้นการประจำเราอย่างยางังกินกันอยู่เวลานี้ก็เป็นอยู่แตพวกเด็กๆทหารนี่มันรู้สิวันนั้นที่ไประงับเรื่องที่มอบันสีมาสืหานี่แล้วเนะี่ยนั่นก็พูดถึงเรื่องนี้มา มันไม่ไม่ไม่ไม่ก็พูดงเรื่องนี้บยิ่งข้ารู้ข้าก็รู้แต่ว่าทำยังไงบอกไม่มีประการอะไรทวกนี้เลยเพราว่าสัญญาของเรามานยียมสัญญาํารวจของเรามันมีแค่สํารวจเท่านั้นนะอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาตำรวจพบแล้วเมื่อไรจะเอาขึ้นแเรนนี่มาเลเซียเขาใช้ของเขาแล้วมันมีขายอยู่ในมันดิบของเราใหม่ใม่ได้แค่สํารวจลุมละกี่สิบล้าน ไม่ใช่เพรที่ต้องเสียให้เราอเท่าสมุดไปหลุมรัฐบาลได้กี่ล้า น, านที่เป็นแค่เทีองเดี๋ยวไม่ได้คิดว่าเมื่อขุดสมุสมิปุบแล้วเมื่อไรจะม่ใช่ไหมแล้วก็ต้องคิดดอย่า ง, งว่าถ้าขึ้นมาแล้วความมั่นคงเราพอหรือเปล่าใช่ไหมนี่ตอนนั้นยริงคิดว่าที่ขึ้นไล่ไมตรกันไปเนี่ยเราใจหายว่าเไป เราคิดว่าที่ท่านพยากรไว้ว่าต้อ ง, ส, งสองสี่ประเทศไทยมีดูปลาปากได้นี่ก็ต้องสี่เพราทราบแล้วว่าท่างน้ำ ม, มันทั้งเลือดมีความทสำคันแล้วก็พรบหมดแล้วน้ำมันบบนีมมน่คนยังไม่ใช่ได้พอมีการไปแล้วเราก็ไม่มีลูกที่วิธีการเนี่ยความจริงเราไม่ต้องการกํำลังของเขาแต่อุปกรณ์ที่สาคัญใช่ไหมเวลานี้เราจะยิงไปนัดตกรินแล้วทุกคนยิงไปนัดที่ีแบ่งอยู่ใบ นี่ถ้าเป็นกลไนอย่าเป็นอกนอากาศเนี่ยหลายจาัย่งเนบ้ลูกระเบิดอากาศต้องเขาขายทัศรงงานขายที่กรุงเทพมัร้อยห้าสิบาทแต่ว่าตำตรวจตะเวนเแดนตั้งม็อกไปชื่อนัทเศรษฐร้อยบายทไี่รู้เพราะอะไรเพราะว่าพวกคุเมือนไทยเขายังอยู่กลายปีน่ะเสริมเข้ามาที่บ่งเสริมต่นเด่าถ้าคุณอนุ์น่ส่ก้าัพายสองทั้งคนเนแ่งแวพูดเรื่องการใช้อาวุธ ว่าควจะซื้อตรงโรงงานในลานี่เราต้องผ่านในหน้าสี่สีร่รอยสามจุดสามจุดที่แสได้จุดมันเอาค่ามาเปอร์เซ็นต์สี่สิห้าเปอร์เซนต์แล้วก็ยังจะมาพลาทิการกินอีกใช่ไหมเด็กอะไราถามว่าจะเราซื้อตรงได้ยังไงเพราะไม่อยากนะเรามีโรงงานอยู่สามผ่วที่รู้จักเ้าซื้อตรงได้แล้วราคาก็ให้มาแล้ว อาถรรพ์ลวงพอ่ไอได้จากไหนพระได้จากไหนคุณไม่ต้องถามเอาเรื่องนีนอนก็าเดืดดึงซื้อเพราะนี่ตองจะเป็นอย่างนะะัราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วที่คุณซื้อต่างกีเ่เท่าแล้วก็เลยต่องจะเป็นแสดงตำรวจเขาทำก็เลยไปให้ไป ใ, ให้เด็กไปขอเองขนเอามาจริงมันก็ปรมโมยถ่ายภาพมาแล้วแล้วถ้าเอกสารเลมาเทียบราคาเลยดูว่าดูนี่นี่มันร้อยห้าสิบบาทเนะี่ยแล้วก็ เขาสั่งเขาไปซื้อเจ็ดร้อยบาทยิงนัดหนึ่งเจ็ด้อยบาทเนี่ยมันไหวัหมแล้วก็ถ้าคุณมาให้ฉันร้อยแปดสบบาทมันเอาเออนี่ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไปคุณลกำลังเราจะไม่เกี่ยวข้ อ, องกับพาราดิการแต่คนรักชัตไปด้วยเออนั่นเอะเอยไวกันคนนั้นมีเออาไว้พักพอเขาปฏิรูปขึ้นมาพารดิการตำรวจคนนั้นกนเลยต้องออกไป แในแฉงอะไรมีข้าขวติดนีตำรวจก็มีตํารวจติดตามที่ตอนที่ยุ่งๆที่ไปอบรมตอนนั้นน่ะที่หมุนกัใหญ่ น, นี่ตํารวจแต่อย่าไปโทษตํำรวจดีเขาเนี่ยคือคําว่าตํารวจนี่หมายว่าตํำรวจที่ออกไปแรงแล้วก็ใช้ใช่คนเพราะเขาเสพตำนาเราคือความจริงนะพูดแล้วไอ้ของที่เราติดต่อต ร, รงโรง ง, งานเราทําได้ก็เป็นเงินของเราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปรับช่วงมาจากใครแล้วพอคลิกคิปได้ไปกันไปอย่างน้เราหายท้องตังก็ไม่มีซื้อใวลานี้เงินค่าอุตสไปต้องเป็นเค่าอาหารนี่เป็นค่าอุตส่แล้วก็แห่นะน่ากวแล้วก็จ่ายไปเป็นไอ้ปีนึง้งหลายพันล้านใช่ไหมไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้ฉันติว่าเดินทางกลับดีกว่าข้างหนอาเอ่เออจนหมดแล้วไปี้